Book 2 5ห้าสิบห้าห้าสิบห้าการทำงานคุณทาอาชีพอะไรคะอะเป็นงานอง สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะส u a า i s ีส a ยด็อกเตอร์ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงสาย a b บ kerja paruh waktu sebagai s u s t e r อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญเบิ่นตาร์ลากิ kami mendapat pensiun แต่ภาษสแต่ภาษีสูงมาก t a ่ i p a j สูงมาก a s i h tinggi และคแ่าประกัน่าสุขกภาพสก็ภาสูงมากแาษีสูงมาก a s ่ภนนาษีสูงมากแต a ภาษ g สูงมากแต่ภาษีสูงมากแต่ภาษีสตาต Kamu ingin menjadi apa? หนูอยากเป็นวิศวกร saya ingin menjadi Insinyur หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย saya akan belajar di Universitas ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหััด Saya menjalankan kerja praktek. ดิฉันมีรายได ma ้ไม่มาก Penghasilan saya tidak banyak. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Saya kerja praktek di luar negeri. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน ini Bos saya ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเ a y a memiliki kolega kolega ายัง baik เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ kami selalu ke kantin pada siang hari ดิฉันกำลังมองหางาน saya m e ั c a r i p e k e r j a a กำลาง า, านฉันว่างงานมา1ปีแล้วอมองหางานฉันกำลังมอง i าง k นฉันกำลังมองหางานทัทนกำลังมองหางานลงงานจํงางานวนมากนก di n e g อ r a ini